พระมาฐาน ท, ท่านทำหน้าที่ของท่านอยู่เป็นประจำเพราะเรื่องพิธีรีตองยิงไม่ค่อยมีเวลามีลูกิลูกหาจราท่านอาจารย์มากออกเที่ยวบางทีจวนมาะารือส า, ากรอย่างนี้ท่านบอกว่าไปทำเถอะ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 ภิกษุอะไรท่านว่าการขาดสติเพียงอย่างเดียวเป็นเหตุให้ขาดหลายห้ายอย่างถ้ามีสติกับปัญญาอยู่ในตัวอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรถามว่าสติปัญญาในสถานที่นี้ท่านหมายถึงสติปัญญาเพื่อระงับดับกิเลสร้นล้วนท่านมได้ มหมายออกไปทางโลกท่านจึงพูดอย่างนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เข้าใจกันทันทีทันทีเวลาท่านแสดงทาในวันสำคัญเช่นนั้นเพีนแสดงมาคบบูชาในวันมาคบบูชาท่านก็ยกเอา พระอรหันต์ 1,250 องค์แสดงว่าท่านเหล่านี้มีเป็นพระอรหันตล่วนร้วนทำวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถอุโบสถใน่าำกลางแห่งท่านผูบริสุทธิล่วนล้วนแต่พวกเรานี่มีแต่คนกิเลสหนาปัญญาหยาบล่วนล้วนแข่ง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 อย่า ก, กลัวว่าจะไม่ได้ไม่ถึงนอกไปจากกลัวจะเผอสติกลัวจะ ม, มีปัญญานี่แลคือเครื่องมือขุดค้นทำเพื่อความรู้แจ้งแต่งตลอดในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือถอดถอนที่เร็วออกให้หมดอันเทนในวันมาฆบูชาอันเทนแบบนีน้พวกเราเอาของ ไม่ดีมาแข่งท่านท่านลงเบญสุปมีพระแต่พระอหันตล้นล้วนท่นสองร้อห้าสิองค์เราอยู่ด้วยกันนี่มีใครเป็นพระอหันตบ้างไมนมมีตะกองกิเลสเต็มฉลาทันวันท้าพระพุทธเจ้าพระเ ด, ดมาที่นี่มาเห็นข้าเราเป็นยังไง ท่านพูดมีเรื่องขบขันแต่เพราะทหารท่านเดินมาที่นี่มาเห็นพวกเรามาเห็นกองกิเลสเต็มสลายท่านจะไหวยเพราะท่านเบือ่อท่านเอื่มระอาท่านขายะกขยแยงจะมากมายหวานในพวกเรากรดกันอยู่กับกิเลสนอนจมอยูก่กับกิเลสให้นั้นมีความสะดุดใจอะไรเลยไม่มีความขายะกขยแยงเก่งจริงพวกเรานะังดูง เก่งในของไม่เป็นท่ากล้าในของไม่ดีนี่หว่าพระอาจารย์มั่นท่านพูดอยากให้บรรดาเราทั้งหลายได้ยินม้ฟังโอ้ว่าของท่านอู้แหลมคมพูดแล้วสะเทือนถึงจิตสะเทือนถึงจิตก็คือสะเทือนตัวกิเลนนั่นเองทำให้สะดุดใจสะดุดใจสลดสังเวชบางทีน้าตาร่วงในขณะฟังท่านเพือมันถึงใจขนาดนั้น ท่านเทศโดยอาจาด้วยธรรจริงๆท่านไม่มีโลกเข้ามาแฝงเลยแ่าจะพูดเด็ดเดี่ยวดุดาขนาดไห น, น, นก็ตามมีแต่เรื่องขับกิเลสทั้งนั้นท่านม่นํามาเอานําโลกคือกิเลสมาใช้ในงองค์แห่งการแสดงธรรมนั้นเลยฟังแล้วจึงอาจซาจังธรรมะ ท, ท่านแสดงที่แรกก็แผ่วเบาเสียงเร่งขึ้นเด่งขึ้นเด่นขึ้น เ, น เ, น เ, นเนมืออ่อเมื่อธรรมก็เข้มข้นขึ้นโดยลําดับลําดับนะ นั่นแหละที่นี่มีแต่ทำรุนร้วนจ้าความเหน็ดความเหนื่อยมาจากที่ไหนแสดงไปที่ตรงไหนมีแต่เหตุแต่ผล ม, มีแต่คติที่จะควรดนได้ทั้งนั้นพระอรหันต์สองร้อห้สองค์มันทันวาทันเสด็จพกพระท่านมาเองพระพุทธเจ้า ไม่สรงเชื้อชิญนาเองและเป็นเอหิพิปุระสประธาล้วนที่พระองค์ทรงบวชเองเนี่ยท่านพูดคำนี้แล้วท่านย้อนเข้ามาอีกนะหลายชั้นเนี่ยคนทลา่านั่นท่านหมายถึงแบบเป็นเอหิพิปุที่พย์เจ้าทรงบวชเองเราจะเอ็นเป็นเอหิพิปุในเราทําไมจะไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดนะ บวชตัวเองเขายี่นี่ไงท่านว่าเจหิภิกขุประสัมปทาเข้าที่นี่เอหิเอหีอ่นั้นท้าทาอยู่ท่านจงดูที่นี่ที่นี่เรื่องสัจธรรมมาอยู่ที่ไหนนอกจากตัวของท่านทุกอกองอยู่ในตัวของท่านของเราทั้งหลายเองนะ่ะสมุทัยก็คือกองที่เละตัวเราทั้งหมดก็คือกองที่เละเต็มอยู่นี่จนน่ากลัวนะ่ะเมื่อไรจะผิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาต่อสู้กับทีเละ อันมีกองที่น่ากลัวนี้บ้างให้ระงับดับไปแล้วจะได้ดับกลิ่นเหม็นของกิเลสใช่บ้างหนากบ้าง น, า น, น, นี่แหละเอหีพิภูประสัมภะถาบวชตัวเองนี่เป็นความบริสุทธิ์อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกบวชกันก็ดีคือพระพุทธเจ้าทรงบวชเป็นเอหีพิภูให้ก็ดีพระสาวกบวชกันเองก็ดีก็เป็นกา ร, รการประกาศให้ทราบว่า ตัวเป็นนักบวชเวลานี้มีเพศต่างจากคารวานแล้วแต่กิเลสไม่ยังไม่หลุดลอยประชักตัวเช่นเดียวกัดทันไหวอยากจะให้กิเลสหลุดลอยไปต้องบวชตัวเองอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชพระองค์เองพระสาวกเ้าหลายก็บวชพวกเองจากพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยเอที่ธิปมษาแล้วนั่นะทันย้อนเข้ามาหน้าฟังใครถ้ายังไม่บวชตัวเองซะก่อนแล้วผ่านพ้นเปนไม่ได้ เอหีเอหีท่านแปลว่ายัางไนนะนนะงนี่หนานี่หน้าเพราะอะไรงั้นดูที่นี่หนาะนี่หนาะท่านจึงดูที่นี่หนาะประกาศท้าทายอยู่ทั้งวันทั้งคืนคือด้วยความจริงความจริงจึงเหมือนประกาศท้าทายมาชกค้านต่อสิ่งใดทั้งหมดเพราะเป็นความจริงกัน่ะดูเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้ถ้าพิจารณาถ้าจะพิจารณาเนี่ยตันจอนหน้าฟัง ความจริงก็อย่างท่านว่าต้องมาบวชตัวเองเป็นหญิงเป็นชายเป็นนัก บ, บวชหรือพระวา่าต้องบวชตัวเองทั้งนั้นบทสุดท้ายบวชตัวเองตัดสิ่งที่เกี่ยวข้องภายในตัวเองให้หมดไปโดยลำดับๆเขากลายเป็นพระขึ้นม า, เ น, า, าเนี่ยเป็นพระโสดาเนี่ยเป็นพระสกีทาเป็นพระอนาคา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 เพื่อจะได้ทำหน้าที่ของตนให้เป็นภูมิปล่อยภาระอะไรทั้งสิ้นบวชแล้วมานอนอยู่เฉยเฉยมันก็ไม่ผิดอะไรกับหมูไงต่างเนี่ยผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็ไม่อดอยู่ในร้านตลาดพุดอยากที่ไหนถ้าว่าพิเศษด้วยผ้าเหลืองอจริงๆแล้วร้านเจ็กเชกพิเศษไปหมดในร้านเจ็กบรรดาในร้านทั้งหลายที่มีผ้าเหลือง ภาคคารวัตถอยู่ที่นั่นแล้วพวกนั้นจะไม่มีกิเลสกันเลยแต่แล้วก็เป็นคนมีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยนั้นเป็นเครื่องประกาศทันว่านหน้าฟังต้องบวกตัวเองละเวน้นคำว่าละเวน้นเว้นอะไรเว้นสิ่งที่เป็นภาคสุขแก่จิตใจของเรา อารมณ์นั่นแหละเป็นค่าสุดคําว่าสมุทัยก็ไม่ใช่อารมณ์จะเป็นอะไรสะแสดงออกมาเป็นตัวอารมณ์รานะคาท่านหาอะไรออกมาเป็นตัวอารมณ์ตัวสมุทัยแท้ก็คืออริชากิริยาที่สแสดงออกมาอ อ, ออกมานเนโดยเทางอารมณ์ให้เกิดความรักใคร่ถอดใจเปรียบโกรธอะไรเหล่านี้เป็นอารมณ์ทางนั้น นี่แหะท่านเรียกว่าสมุไทยให้ อ, อีกชื่อหนึ่งว่าสมุไทยแดนที่เกิดแห่งทุกข์หรือแดนผิดทุกข์ได้แก่ธรรมชาตินี้ไม่มีอันใดไป็เกรื่อผิดทุกข์ให้แก่สัตว์โลกได้นอกจากสมุไทยที่พิเดียนี้เท่านั้น<ม>แล้วจะดับสมุไทยนี้ด้วยอะไรก็ด้วยมรรคสีลสมาธิปัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากไหนไปเป็นอะไรอีกเครื่องมือนี้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลากิเลสหมอบราบกลัวที่สุดมาตลอดการแล้วยังจะกลัวต่อไปอีกไม่มีกำหนดและจะสิ้นเพราะหรือจะตายเพราะเครื่องมืออันนี้อีกไม่มีสิ้นสุดถ้าผู้ใดนํามาใช้ให้เหมาะสมกับการแก้กิเลส จะต้องแก้ได้ด้วยสติปัญญาหมดทุกทางกายก็ประกาศกังวลอยู่ทั่วทั้งร่างทางใจก็รอบใจเพราะส ม, มุทัยมีอยู่ภายในใจแสดงผลออกมาก็ร้อนที่ใจถ้าแสดงเหตุมากผลคือความทุกข์ก็มาก พันในใจใจทั้งดวงก็กลายเป็นภไยทั้งทั้งกองไปได้เนะี่ยมัดมีสมาธิสีสมาสมาโปภิสมาสติเป็นต้นเป็นเครื่องดับไฟเหล่านี้เพื่อความรู้เท่าทันเพื่อการบังคับเพื่อการระงับเพื่อการค้นคว้าัเ้เหตุเหตุผลแล้วต่อยวางกันได้เนะนี่ยมีท่านเรียกว่ามัด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 นี่ล่ะก็เป็นผลที่สืดเนื่องไปจากมากที่ทําหน้าที่แก้ที่เลดให้หมดขึ้นไปทุกที่จะเกิดเพราะที่เลดผิดขึ้นมามันก็ไม่มีมันก็ดับไปแมนทุกที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ดับไปเพราะไม่มีเครื่องสืบต่อหรือมีเครื่องสนับส น, นุนก็ดับไปที่ใจทําทั้งสี่อย่างนี้เป็นอาการเท่านั้นทําหน้าที่อันหนึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันไปหมดเราอยากเข้าใจว่า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 ก็กำหนดเพื่อจะให้ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นของทุกนั่นเองนะการเพื่อจะให้ทราบสาเหตุของของทุกคือตัวจมูกไทยนั้นถ้าไม่ทราบด้วยสติปัญญาจะทราบด้วยอะไรนะมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนีน้และเมื่อทราบเมื่อระงับเมื่อแก้ไขกันได้มากน้อยเพียงไร คว่าความดับทุกที่เรียกว่านีโรดนีโรดก็เป็นไปในขณะเดียวกันนั้นโดยลํำดับลำดั บ, ดบตั้งแต่ต้นจนกระทั่งอวสานสุดท้ายทุกจะดับไปโดยลํำดับลําดับทีเยเล็กและน้อยตามอํนมานาจของมรรคที่ทําหน้าที่ได้ผมมากน้อยเพียงไรก็เป็นนี่โรดออกมาเมื่อมรรคมีกําลังเต็มที่ตัดกิเลศขาด โดยไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกก็ดับพร้อมในขณนะนั้นไม่มีทุกข์ใดที่จะปรากฏอยู่เลยภายในใจิตใจเนี่ยเรื่องก็มีเท่านั้นและที่กลามาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือจากเบญจขันธ์อันเป็นรวงลังแห่งสัจธรรมนี้เลยผู้ปฏิบัติจึงควรคนร้นคว้าอยู่ที่ตรงนี้หากจะพิจารณาในธาตุใดขันธ์ใด ก็ให้พรุงน้อาเข้ามาเพื่อเป็นการเทียบเคียมกับสิ่งที่ตนที่ตนถือสิ่งที่ตนถือว่าเป็นตนเป็นของตนอันเป็นส่วนสำคัญนี้เพื่อจะเลยปล่อยวางลงไปด้วยการเทียบเคียมกับสิ่งภายนอกถ้าจะพอเข้าใจได้ในตัวในการพิจารณาตนเองโดยลาพังก็ให้เข้าใจ หากยังไม่เข้าใจจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องสนับสนุนหรือข้อเทียบเทียงเพื่อจะแก้ภายในเราก็ทำพิจารณาภายนอกก็เป็นมากเป็นสติปัญญาถ้าพิจารณาให้เป็นสติปัญญาปัญญาให้เป็นมากก็เป็นมากพิจารณาภายในก็เป็นมากทากั้งข้างนอกข้างในจะให้เป็นสมุทัยได้ด้วยกันทั้งนั้นให้เป็นมากก็ได้ กพิจารณากายเราก็อยากได้คาดได้หมายว่าท่านผู้นั้นเห็นกายเห็นอย่างนั้นเราก็อยากจะเห็นอย่างนั้นตามอย่างนี้เป็นต้นผิดวิสัยข้างตน้นหรือขัดต่อจริตวิสัยข้างตน้นกายนั้นเป็นเรียกว่ากายเหมือนกันความเข้าใจ ตามจริตนิสัยความรู้ความเห็นการจะริตนิสัยจะรู้อย่างไรก็ตามก็คือคือรู้กายรู้สัจธรรมมันั้นนี่นนหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้รู้หลายข้างหลายหนก็เข้าใจไปเองปล่อยวางไปได้เองเที่ยวกับมฐ า, านน่ะมีเที่ยวตรงนี้อ่ะ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 อยู่ในป่าก็ต้องพิจารณานี้อยู่ในเขาอยู่ในที่ไหนก็ต้องพิจารณานี้เพราะติดที่นี่อันนี้เป็นเครื่องปิดบงังจิตใจไม่มีความสว่างกระ จ, าจะ่างแจ้งออกมาม่เห็นอัดเห็นทำคือความจริงที่มีอยู่รอบตัวคุณต้องอาศัยพิจารณาสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นสิ่งที่มืดดำเหมือนอย่างเราที่ไม่เคยพิจารณากลับเป็นหินรับปัญญาก็ได้นะพลิกให้เป็นประโยชน์ก็ได้ กายเวทนาจิตธรรมถ้าจะคิดให้เป็นการสังสมกิเลสขึ้นมาก็ได้จากตรงนี้ทุกตอวเราอยู่ทุกวันทุกนันขึ้นเวทีก่อนเราอยู่แล้วหรือคอยเราอยู่บนเวทีทุกระยะ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 ถือเอาคําที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องหมุนจิตหมุนสติปัญญาเข้าไปสู่ความจริงนั้นฝื้นกับสิ่งจำปลอมทั้งหลายที่คอยฉุดลากเราให้ออกนอกรูปนอกทางอยู่เสมอนั้นฟื้นโดยไม่หยุดไม่ถอยนี่ชื่อว่านักโรบเพราะสิ่งที่คอยกระซิบนั้นกระซิบอยู่ตลอดเวลาให้เราทราบว่าความกระซิบแบบนั้นชวนมาก อยากละร้อยทั้งร้อยมีแต่เรื่องกิเลสทั้งหมดความฝืนสิ่งกระซิบความฝืนความฝุนลากความฝืนใจนั่นแหละคือธรรมเกิดเกิดความทุกข์ขึ้นมาทางร่างกายจิตใจรู้สึกท้อถอยอ่อนแอนั่นเริ่มแพ้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 ต่างอันต่างเป็นความจริงแล้วก็ไม่ทะเลาะไว่ากันไม่เป็นค่าสิกต่อกันการพิจารณานี้ก็เพื่อจ ะ, จะใหส้สงบสุดหรือให้เสร็จให้สิ้นในค่าสิกที่เรากำลังพิจารณาอยู่เวลานี้พี่คลาดูให้หมดจะทุกข์มากทุกน้อยเพียงไงเราไม่ใช่ผู้ลงจมไปด้วยทุกข์ เราเป็นผู้รู้ทุกต่างหาและเราเป็นผู้พิจารณาทุกต่างหาไหนเราถึงจะมากลัวกับเรื่องของความทุกข์ซึ่งเป็นอันหนึต่างหาจากใจอันแท้จริงของเราติมีมากกิตเด่นเราฝึกหัดสติของเราให้ได้มากเท่าไหร่ความรู้นั้นยิ่งเด่นเพราะสติเป็นเครื่องเสริมความรู้ปัญญาเป็นเครื่องเสริมความเป็นปัญญาคือความฉลาดเป็นเครื่อง บึกบุกเบิกสิ่งที่จิตติดข้องหรือไปอย่างฝึกเครื่องให้มีความราบลื่นชื่นใจไปโดยลาดับพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์เขาเห็นมีอะไรในร่างกายของเหล่านี้ก็มีแต่สิ่งที่เคยรู้เคยเห็น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 นำมาพิจารณาให้เห็นเรื่องของทุกว่าเป็นทุก์อย่างแท้จริงตามหลักธรรมชาติของเขาผู้รู้ก็ให้รู้ทุกอย่างแท้จริงตามหลักธรรมชาติทั้งตนทุกจะเกิดมากน้อยเพียงไรก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะมันคนละเรื่องทุกก็เป็นอันหนึ่งเราก็เป็นอันหนึ่งมันคนละเรื่องถ้าเามาฆ่าคร่าวกันแล้วมันต้องเกิดร้อน เ้าทุกเป็นของร้อนอยู่แล้วเช่นเดียวกับไฟเป็นของร้อนถ้ า, ามาจี้เรามันก็ร้อนถ้าไฟเป็นไฟเราเป็นเรามา่ไปเกี่ยวข้องกันแล้วไฟก็ไม่มีความหมายอะไรกับเราก็จะมาทำความทุกข์อะไรให้เราไม่ได้ถ้าเราไม่ไปจับไปต้องไฟพอจะให้เกิดความร้อนขึ้นมาตามไฟที่ร้อนอยู่แล้วนั้นาติปัญญาขุดค้นมองให้ถึงความจริงแห่งทุกข์ ให้ถึงความจริงแห่งกายกายเป็นกายทุกเป็นทุกมิรูปเป็นรูปเวทนาเป็นเวทนาเอาให้ละเอียดละออตัวสัญญานะ่ะมันคอยจะหมายมันเร็วที่สุดตัวทัญญาคอยจะหมายอยู่เรื่อยๆพ อ, อแยกออกเราเป็นกรรมการคนหนุนเหมือนกัน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 สำคัญที่สุดก็คือสัญญากับเวทนานี่สําคัญอยู่มากสติตั้งจดจ้องลงที่นี่พิจารณาที่นี่ให้ชัดเจนใจจะได้มีความมั่นคงต่อตัวเองขึ้นมาและอบปุ่นด้วยสติปัญญาของตนรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ค่าศึกก็คือสิ่งเหล่านี้เองเป็นค่าศิกต่อเราไม่ใช่อะไรถ้าพิจารณาไม่รอบพิจารณารู้ไม่เท่าทันก็ทุกเวทนา น, นี่แหละ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 ทรงรู้อย่างนี้พระสาวกทั้งหลายทรงรู้ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างนี้ถ้ารู้เด็ดขาดก็รู้ด้วยอํานาจของสติปัญญาที่แหลมคมพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าตนเป็นที่เข้าใจสุดท้ายขันก็เป็นขันจิตก็เป็นจิตไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันทั้งๆที่อยู่ด้วยกันเพราะต่างอันต่างกิ่งไม่มีเรื่องอะไรจะมากระทบกระเทือนกันเมื่อต่างอันต่างกิ่งแล้วเป็นเช่นนั้น ท่านมีความผาสุกสมาอยู่ในทถ้ำคานแห่งขันที่เป็นกองเถิงทั้งกองนั่นเราอยู่ในกองเถิงคือทุกร้อนอยู่ในกองเถิงคือเป็นจะขันจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นน้ําดับไฟให้เป็นความเย็นขึ้นมาที่ใจทั้งตัว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 เรื่องความตายเขาไม่หวังทุนหวังกํำไรกับใครแหละมันเป็นความจริงอันหนึ่งตามหลักธรรมชาติของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเอาตรงที่สําคัญนี้คนเราหเห็นความตายอย่างชัดเจนประจักษ์ใจหมดลมที่ไหนก็ปล่อยกันนี่ยากอะไรการตายไม่ยากเพราะการทิ้งนี่การหวงเรามันลำบากมันเป็นทุกข์ การหวงการห่ว ง, วงมันเป็นกิเลสมันเป็นทุกข์การตายจริงไม่ได้ทุกข์เนี่ยเป็นการสลัดปัดทิ้งทุกข์อะไรรู้ตามจริงแล้วเขาสลดอย่างนั้นปัดอย่างนั้ น, น, นทิ้งอย่างนั้ น, นมีปัญหาอะไรพิจารณาให้มันเด่นจิต มันเด่นแต่ทุกเด่นแล้สมุทัยมันก็มีแต่ทุกเต็มตัวเต็มใจถ้าสติปัญญาเด่นจิตก็เด่นเด่นดวงรื่มเริงนี้เรียกปบอุ่นก็อบอุ่นตัวเป็นหลักเป็นเจนของตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวแล้วไม่ต้องอาศัยมาเป็นอะไรมาเป็นเนื้อเป็นหนัง อาการนับนั้นเป็นของที่ไว้ใจไม่ได้ทางนั้นถ้าเราไปจับไปต้องไปยึดไปถือปลายปึงทุกได้อย่างรวดเร็วจะถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆมันไม่ได้แต่ให้เป็นโทษมันเลยเป็นประโยชน์จะถือให้เป็นอะไรผันเป็นโทษคับความยึดถือด้วยความสำคัญมันหมายของเราที่ผิดถือไปมันเป็นได้ อะไรจะสว่างยิ่งกใจเมือ่อขัดสิ่งที่เป็นมุนทินสิ่งที่โสกโรกทั้งหลายออกจากใจแล้วไม่ต้องบอกว่าใจจะสว่างหรือไม่สว่างสว่างขึ้นเองสามารถสลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรนอกเหนือจากใจไม่ไปได้ สงครามมันนี่เป็นสงครามที่สําคัญมากสาหรับเราแต่ละคนนะครับผู้ปฏิบัติศาสนานจึงต้องถือนี้เป็นจุดสําคัญเพราะนี้เป็นจุดเราแท้เป็นจุดแพ้จุดปุดจิจชนะแท้เป็นถึงจุดเป็นจุดตายจุดทุกข์จุดละหมาดก็อยู่ที่จุดนี้แท้หุดพ้นก็อยู่ที่จุดนี้ได้ชัยชนะก็อยู่ที่จุดนี้ ถึงความก็เสำนักสำรานถ้าไม่ถึงที่จุดนี้จะไปถึงที่ตรงไหนถึงที่นี่ถึงที่นี่แล้วก็ไม่ตลองไปถามหาหลวงพิพานที่เสียดายเรื่องมีหลาตะคุกอะไรเงาชื่อสมมุติว่ามันตาที่เลสอยู่ภายในหัวใจเราเราไม่ให้ชื่นว่ากิเลสกิเลสมันยังทุกได้ทั้งวันทั้งคืนโอ๊ยวันนี้ไม่สบายเลยนะครับ ย, ยุ่งแต่หมดจนกระทั้งจะนอนไม่หลับแล้วจะเป็นบ้าเป็อยอยู่แล้วนี่นะ ไม่เห็นได้พูดว่ากิเลสมันทําเหตุตำตำทลายอะไอย่างนั้นอย่างไีไ้หรือทำผิดเราไม่เห็นว่ากันไม่ว่าเขตามมั่วมันเป็นกิเลสมันก็เป็นทั้งมันอย่างนั้นทำนิพพานธรรมไปมาถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วว่าไม่ว่าบริสุทธิ์อย่างนั้นจะให้ชื่อให้นานหรือไม่ไม่สำคาัญให้บริสุทธิ์เป็นความกระเส่นขึนานอย่างยิง่งภายใน น, นั้นเอง นี่หละคือสนามโลกที่แสดงมนันเอาให้รวยให้เห็นกันที่นี่รู้ที่นี่แล้วก็เป็นโลกวีถูรู้แจ้งไปหมดนั่แหละเพราะสภาพทั้งหลายมันเหมือนเหมือนกันพอเข้าใจอันหนึ่งแล้วก็เข้าใจกัน้ปหมดแม้แต่ร่างกายเราเราเข้าใจอาการใดาอาการหนึ่งมันยังทั่วถึงไปหมดคือซึ่งไปหมด เวทนากเหมือนกันรู้ในจุดใดจุดหนึ่งมันก็ชาบซ่านไปหมดเนี่ยเหมนโลกวิถีเข้าใจเป็นเหมือนกันไปหมดเหี้โลกวิถีของพวกเขาเอาตรงนี้โลกวิถีของพระพุทธเจ้านอกจากรู้อางนี้แล้วยังรู้ยังกว้างขวางลึกซึ้งไปอีกมากมายเกี่ยวกับจัดโลกเกี่ยวกับสภาวะธรรมทั่วไปเราไม่ใช่วิสัยอย่างนั้น หเหมาะกับจริตนิสัยหรือความสามารถของเราคุณพิจารณาให้เป็นโลกปิดถืรู้แจ้งตรงที่มันกําลังมืดมืดถือเวลานี้สิ่งใดเป็นสิ่งที่ปิดบงังกําหนดพิจารณาสิ่งนั้นให้ทราบชาติตามความนด้วยปัญญาของเราตลอดนาทีปัญญาสมาอาภานาตังความสว่างเสมอเรื่องปัญญาไม่มีแล้วอะไรที่ความมืดจะเสมอด้วยกิเลสมันก็ไม่มีเหมือนกัน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 ยากเงาเข้ามูลของมันถอนอีกมาได้หมดเพื่องำนาจของปัญญานี้เท่าไหร่นี่ท่านถึงว่าเครื่องมือที่ทันสมัยออก็คือปัญญาสว่างโลกทั้งกลางมันกลางคืทงนทมนอาโลโกุตปาดิมะในธรรมจักรปวัตตาสูตร งานังวุตปานิวิจาวตปานิอโลโกตปานิไงขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่นี่ที่เคยมืดดำนี่ยสว่างขึ้นนี่ทัศคุคารณีงานักกรณีปัจฉมายะอภินญายะสัมโบธาญาณิบารายะสร้างวัตถุนี่นี่แหละมักแปลเป็นไปเพื่ออย่างนี้เย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 ผิดมื่มีเครื่องรักษาจะสว่างปัญญาภายสว่างโล่งอยู่ภายในตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้ทุกเกิดขึ้นก็รู้ทุ่มดับไปก็รู้รู้ในความโล่งของสติปันดาของตัวเองอเย็นสบายตายเมื่อไรก็มีปัญหาถ้าธรรมชาตินั่นไม่ตายแล้วไม่หลงแล้วไม่จมแล้ว ก็มีเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการขอใน้นำต่อที่จเจริอารมณ์อารัการประบัติธรรมประพ